บุกทูห้าสิบก้าแพนโจที่ทำการไปรษสนียดาร์เอเดอร์เโพสต์ที่ทำการไปรษสนียที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนโพสต์ทวเนียเบืีจส ที่ทำการไพรส์ น, สนีใกล้จากที่นี่ไหมทอโพสทรเนบะดีเคลลิราฮัสตู ی ی ی ต้รายสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนซันโดกโพสเตบะดีโคจาสดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงมันเทโดดิทามโลาซมดารัมสำหรับการ์ดและจดหมาย برای یک کارت پستال و یک نامه ละค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ هزینه ارسال ไปอเมริกาเฉการพัสดุหนักเท่าไหร่วัจนเบสต์เฉกาดดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมมีทวนึอันราบ้โพสต์ฮวาีอค ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง چه โมดัตทูลมีเคชาตโทรมาฮ์มูเลบะมักซัดเบเรซัดดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนโคโยมีทาบอนามเทเลโฟนเบซานามตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนปอเจเทเลโฟนเบะดิโคโยสคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ คัร์เซทีเลฟอนดอริทคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะดาฟเจอร์เทเลโฟนดอริทคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะพิชฌาโมเรย์เคชวาร์ออสเตรีม่ดอนิดรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะย้คลซมีรเนกอคะ สายไม่ว่างตลอดเวลาเทเลโฟนแฮมิชอิชกอลสคุณต่อเบอร์อะไรเชชอมรีเฟติคุณต้องกดศูนก่อนเอตดาวายดอเดดซฟราเบกี